เอกุตริกาในว่าด้วยในเกินหนึ่งหงเอกะกกะวาระว่าด้วยหมวดหนึ่งสามยยสพึงรู้ธรรมทั้งหลายที่ก่ออาบัติพึงรู้ธรรมทั้งหลายที่ไม่ก่ออาบัติพึงรู้ธรรมทั้งหลายที่ก่ออาบัต พึงรู้ธรรมทั้งหลายที่ไม่ก่ออาบัตพึงรู้อาบัตพึงรู้อนาบัตพึงรู้อาบัตเบาพึงรู้อาบัตหนักพึงรู้อาบัตที่มีส่วนเหลือพึงรู้อาบัตที่ไม่มีส่วนเหลือพึงรู้อาบัตชั่วยาบพึงรู้อาบัตไม่ชั่วยาบพึงรู้อาบัตที่ทำคืนได้ พึงรู้อาบัติที่ทำคืนไม่ได้พึงรู้อาบัติที่เป็นเทสนาคามินีพึงรู้อาบัติที่เป็นอเทสนาคามินีพึงรู้อาบัติที่ทำอันตรายพึงรู้อาบัติที่ไม่ทำอันตรายพึงรู้อาบัติที่มีโทษทางพระบัญญัติพึงรู้อาบัติที่ไม่มีโทษทางพระบัญญัติ พึงรู้อาบัติที่เกิดจากการกระทําพึงรู้อาบัติที่เกิดจากการไม่ทําพึงรู้อาบัติที่เกิดจากการกระทําและจากการไม่ทําพึงรู้อาบัติก่อนพึงรู้อาบัติหลังพึงรู้อาบัติระหว่างอาบัติก่อนพึงรู้อาบัติระหว่างอาบัติหลัง พึงรู้อาบัตินับเข้าจำนวนที่แสดงแล้วพึงรู้อาบัติไม่นับเข้าจำนวนที่แสดงแล้วพึงรู้บัญญัติพึงรู้อนุบัญญัติพึงรู้อนุปปณะบัญญัติพึงรู้สัพพัตะบัญญัติพึงรู้ประเทศบัญญัติพึงรู้สาธารณะบัญญัติ พึงรู้อสาธารณะบัญญัติพึงรู้เอกโตบัญญัติพึงรู้อุพะโตบัญญัติพึงรู้อาบัตมีโทษหนักพึงรู้อาบัตมีโทษเบาพึงรู้อาบัตที่เกี่ยวกับคฤหัตพึงรู้อาบัตที่ไม่เกี่ยวกับคฤหัตพึงรู้อาบัติที่แน่นอนพึงรู้อาบัต ที่ไม่แน่นอนพึงรู้บุคคลผู้เป็นต้นบัญญัติพึงรู้บุคคลผู้ไม่เป็นต้นบัญญัติพึงรู้บุคคลผู้ไม่ต้องอาบัติเป็นนิตพึงรู้บุคคลผู้ต้องอาบัตเนืองเนืองพึงรู้บุคคลผู้เป็นโจท์พึงรู้บุคคลผู้เป็นจำเลย พึงรู้บุคคลผู้ฟ้องโดยไม่เป็นธรรมพึงรู้บุคคลผู้ถูกฟ้องโดยไม่เป็นธรรมพึงรู้บุคคลผู้ฟ้องโดยเป็นธรรมพึงรู้บุคคลผู้ถูกฟ้องโดยเป็นธรรมพึงรู้บุคคลผู้แน่นอนพึงรู้บุคคลผู้ไม่แน่นอนพึงรู้บุคคลผู้ควรต้องอาบัต พึงรู้บุคคลผู้ไม่ควรต้องอาบัติพึงรู้บุคคลผู้ถูกสงลงอุกเขปนิยกรรมพึงรู้บุคคลผู้ไม่ถูกสง์ลงอุกเขปเนิยกรรมพึงรู้บุคคลผู้ถูกนาสนะพึงรู้บุคคลผู้ไม่ถูกนาสนะพึงรู้บุคคลผู้เป็นสมานสังวาส พึงรู้บุคคลผู้เป็นนานาสังวาสพึงรู้การงดปาติโมกแแลเอกะกะวาระจบ